วิธีสวดสมรูปพาธและกรรมวาจาสวดสมรูปพาธภิกษุทั้งหลายก็สงพึงสวดสมรุปาธภิกษุณีนั้นอย่างนี้คือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่า730แม่เจ้าขอสงจงฟังภิกษุณีชื่อนี้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายผู้ถูกสงสวดสมรุปาธแล้วอย่างนี้ว่าพวกท่านจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ ภิกษุณีเหล่าอื่นที่มีความประพุทธอย่างนี้มีกิตติศัพท์อย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ชอบปกปิดโทษกันไว้ก็มีอยู่ในสงฆ์สงฆ์ก็ไม่ได้ว่ากล่าวภิกษุณีเหล่านั้นเลยสงฆ์ได้แต่ว่ากล่าวพวกท่านเท่านั้นด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยามด้วยความไม่พอใจด้วยการข่มขู่เพราะพวกท่านอ่อนแออย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่คุกคลีกัน มีความประพฤติเลวทรามมีกิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านพึงแยกกันอยู่เถิดสงฆ์ย่อมส่งเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้นภิกษุณีนั้นยังไม่สละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงสวดสำนภาพาภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นยติแม่เจ้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าพิกชณีนี้กล่าวกับพิกษุณีทั้งหลายผู้ถูกสงสวดสมรภาพแล้วอย่างนี้ว่าพวกท่านยงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่พิกชณีเหล่าอื่นที่มีความประพฤติอย่างนี้มีกิติศัพท์อย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้มักเบียดเบียนภิกชณีสง์ชอบปกปิดโทษกันไว้ก็มีในสงฆ์สงก็ไม่ได้ว่ากล่าวพวกเธอเลยสงได้แต่ว่ากล่าวพวกท่านเท่านั้นด้วยความดูหมิ่นเหยียดยาม ด้วยความไม่พอใจด้วยการข่มขู่เพราะพวกท่านอ่อนแออย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่รุกลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิริสั์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนพิษุณีสงบกปิดโทษของกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้น ภิกษุณีนั้นยังไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสำรบพาสภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสำรบพาสภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงเขาพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองเาพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาภิกษุณีชื่อนี้ สงสวดสมรรภาพเพื่อให้สละเรื่องนั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบยติต้องอบัตทุกกดจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังคาธิเศตเมื่อเธอต้องอบัตสังคาธิเศษอบัตทุกกฏที่ต้องเพราะยติอบัตทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้ง ย่อมระ ง, งาไปคำว่าภิกษุณีแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนคคำว่ายาวะตะัตติยกะคือต้องอาบัตเพราะสวดสมุภาสจบสามครั้งไม่ใช่ต้องอาบัดพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุคำว่านิสรณียาได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัดนั้นสงเท่านั้นให้มานัดชักเข้าหาอาบัดเดิม เรียกเข้าหมู่ภิกษุณีหลายรูปก็ทําไม่ได้เพี้ยกชนีรูปเดียวก็ทําไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาทิเศตคําว่าสังคาธิเศตนี้เป็นการขนานนามเป็นคําเรียกหมวดอบัตดนั้นนั่นเองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาธิเศต